การปฏิบัติเนี่มีอานิสงส์อยู่หลายประการหนึง่งว่าได้พระโสว่าได้พระละหันในปัจจุบันก่อจากได้ในเวลาจากตายใกล้จากตายใกล้จากตายมันที่จะน่าเห็นเก่าถูกนักเหละมันเลยถอนอุปท า, านมันเลยเบื่อสาสอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วคำว่าได้หัน จะเป็นนิสัพยพระพระเจดว่าสั่นจะกลับไปป่าชนะพระาพาระเจกว่าสั่นคำว่าใดพ่อพระเจดพ่อพระพุทธเจ้าอ ง, งานา่ากระ บ, บาทข้าทาเดียวก็บสำเร็จพอหลันเหมือนพระผ้าหิยพาะลูกิริยัว่าสั่นพ่ออานิสงส์เนี่ปฏิบัติแล้วพพุทธเจ้าเทศว่าเป็นได้ทักว่ารู้เป็นได้ทักว่าเห็นแล้วเออพอแล้วครับว่าสัา่นไปรถพราะอานิสงส์สร้างเก่งพอแห้งแล้ว ข้างพระเจ้ากัสปะผู้นั้นกัสปโธเซดิสัมปโนนะการปฏิบัติบระเสียเพระลหันเนพระจุบันนาศาสตร์ก็ได้ในที่มีที่วิญ่าณได้ในเวลาใกล้จกตายพระทุโทษได้เวลาโดยพระหันในเวลาใกล้จะตายเนีย พระสุโธษธนาะพ่อสําเร็จพรอะหันก็เลยซิมซิมล่มป่ายข่ากันเอาโรถพระราหุนไปอธิษฐานขอคุณปูระงับเวทนาะจากวางสะปันเถอะพ่อได้รับทัพมเทศชนาของพระองค์เจ้า พระองค์เกี่ยวไปอธิษฐานขอให้ย่มพอทุกขเวทนาขอให้รังงับลงจักวางพ่อได้คอใจค่ายห้อมายเท่นะห้ทุรนทุไลมากกำลังประชวนดิ่งปวงปัญญาลงในกองทุกแม่นอนิีจังทุกครั้งอนาตาเห็นซัดแล้วก่ะวิญ ญ, ญาณปฏิสนติก็เลยบ่อนบไปของอยู่มันไหนก็ สิทธิรหายใจพร้อมกันกัยเขาสู่พญิาพนานท่านเนี้ยย่อเมืองสัะเกตเนี่ยสองเผ่าย่อมเมืองเมืองสะเกตสองเผ่าน่าาาะนายเหี้ยวว่าประชาเลมใส่คนชาวหน้าพ่อเห็นพระองค์เจาะย่อเมืองสะเกตก็ฝอานน้ประกอดแขงกอดขาพระองค์เจา อ้ยหลูก็อย่าไ้นเมียยินตั้งแต่ว่าพอแต่ยินตแต่อยู่หุนเมืองกบินละพัหรือเ ม, อมอือผ้าลานสีเมือหลับจะคือหุ่นอือปันคือบมาหาพอหามกีกเเทียรพอเมยค่อยอยู่หลู ก, ก็อย่เสเ อ, อมันเป็นสั่งคนงุอมยมันยากนสก น, นสี่ผ่านน่นเกิดช่งไทยแหละบอ ม, มีเวลาสถาม พรมนันยังพันจนกลับพอเห็นนากันเที่ยเดียวประกอดแขงกอดขาเลยพระองค์เลยย่องไปก อ, พ อ, อ, ก ด, อ, อ, อดพระองค์ก็เลยเทีย่องอายุหันเลยซ้ำเร็จพลังหันอายุแปดสิบแล้วทุกค น, คนทุกคนเพท่านพ่อเจ็บมือกับพระกันเข้าสู้อนุปบาทีา่เศสนิพานเมื่พอพลังมาได้โอกาสพระอนุนได้กลับทุ่นถามย่อมเท่าสองคนน่ะ เปลี่นเกี่พ่อเห็นพ่อองค์เจ้ามากอดแขงกอดขาลวดแทบเป็นเหตุให้คนหน่อยสงสัยอะไรั่างๆโอ้ตัวอยากหัวจับบอกว่าหัวจับสองเถ่าน่นเคยเป็นพ่อเป็นเม่ห้ามหารอยสัดติดกันก็มีเคยเป็นอาวเป็นอาเป็นป่าเป็นลุงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเป็นพี่ชายเป็นน้องชายมานับอันนี้กระช้าสังสาราเบอร์ใดอานุเนยวัฒนคว่ำ ขุนเช อ, อันนั้นติดมาพอธรรมดาสาวกละวัดาสนาและนิสยัยบ่ได้ด้วยรันนิสันสยนั้นติดมาเพราเห็นกันก็นเลยขุนเช่องโลดพระสันเคยเป็นแม่ผู้นี้ผมเคยเป็นอายผู้นี่ผมเคยเป็นไส้ผู้นี่ผมเคยเป็นโนง่นนงเคยงอกสาวบมเคยได้เป็นมิดผมเคยได้เป็นชายในใจโลกธาตุานหนหเธอกัหาลงลูบ่ามันศาสตหนึ่งกาตรหนึ่งแล้มันบุมีได้ไหม ผมเจ้ามันศาสตร์หนึงก็าสตรนึงละการท่องเที่ยวในวัฏสงสารมีหลายจนทั้งเพียงนั่นละอ่านน่นเลยในอิติบุตกะกระดูกของพวกท่านทั้งหลายเก็บไว้เท่าหัวแม่มือนี่ศาสตรหนึ่งชาตรนึงเก็บไว้เท่าหัวมือล่ะศาตรเป็นสัิรสารกัตงหะาตรเป็นนื่นก็บตงอะว่าแต่ศาตรเป็นมนุษย์ อันซัวกับหนึ่งอย่างไงก็พวกเขาซีเ น, นโรลัดคันพ่ให้อันตาละท่านหายไปนั่นตาของพวกท่านทั้งหลายบอกแต่แท้เป็นมนุษยนน์นั่นนั่นถึงจงได้ออกอันซัวกับนนี่หลายก็มาหาสมุทรทะเลุ่นใ่ซั่นมาหาสมุทรุ่น่มซั่นคัน่ให้อันตาลท่านหายไปไหมซั่นการท่องเที่ยวในวัดตาทงศาลมันมากถึงเพียงนั่นหละนู่นเลยใช่ไซั่นเเชื่อหรือว่าเชื่อ เ, เป็นเรื่องของเธอซั่น พวกเล่าถ้าพราพพูดตามเป็นจริงพหมละานอนุ่ยพระอนุนเป็นพระสวดาบันนี่ดิในปฐมมปัญนญนาปฐมมปัญญาปฐมอปัญนญาถ้าบุญอะไรถ้าบุญอะไรต้องอุทิศห้าตจโลกธาตุเมดพระองค์ก้าวหล่อนยังสั่ง บุญของเฮาเล็กๆหน่อยไปทำทาเป็นธูมิกนัยไฟสูงไปโอนหาใจโลกธาตุนะมันก็เมื่ดทนตัววาสังมันเสื่อมากถ้าใส่โพองเจาะสัเฮาไม่เหนี่น้อยนึงททามักนัยไฟสูงไปโอนเมดอไปโอนอุทิศในใจโลกธาตุเมื่อเท่าที่ได้ย้ำ น, นั่นแล้วอนุตในมันแหงได้นั่นแล้วมันแห้งได้ปฏิทานา ม, ายมัยบนธรําเร็ยบด้วยการหายซ้นบุญ น, นั่นนี่วะั เรียกว่าบโบโเรียกว่กินขขาปลูกพมพนุงมาสันเรียกว่าวานพืชเอาผลอยู่เสมอเสมอเสมอเฮงได้บุญหลายอนุนเลยพระองค์เจ้าแเฮเมตตาทั้งโล ก, กุตละสิแพ้่จังไดสี่แพร่เมตตาในโลกกี่สิแพ้่จังใด แท้เมตตาในโลกกุตละยยนิส you know ีขอให้ทั้งหลายจึงถึงคุณพุทธพระธธรรมพระสงค์โยทุกเมื่อเถิดโยอยชีทุกทุนหาจงเปรนสูงในพุทธธรรมสูงยทุกเมื่อบระมาณเถิดผู้เกิดในขันในใคในท่านัยใครล้วเกิดผู้นกิดเขาเชื่ถึั้งหมดทั้งเรื่องของเขาเรื่องของห้องห้องหายคือฝนนี่แหละ เขาจต้องเอาเ่าต like ้องเอาเป็นเรื่องของคนถึงอย่างโต๊ะกับโต๊ะลดคือเดกน่ะใครที่ิงพวกฟิ้งตายกี่ตามออคือหฮมล่ะใครที่เขาพวกเขาก็ส้างนี่หน้าที่ก็ต้องโฮมนี่หน้าที่ก็ต้องแดกคือดินล่ะใครต้องการแยบพวกแยกก็สร้างถ้ามีดินอยู่อันนี้คือกันถ้าอดีตกุศลพ้นบุญของเขาเขาจะได้รับเพได้รับเป็นเรื่องของเขาเรื่องเขาหายเป็นเรื่องของเขาอืม แเมตตาถึงโลกุตละเป็นอมัญยานอมัมยาโยนิซีทุกทนนาจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยทุกเมื่อเถิดสุขในพุทธธรรมสงนี่คือสุขจังใดสุขในพระโสดาบันสุขในสกทาข้ามิสุขในอนาข้ามิสุขในพลังหันเนี่ยมันเป็นสุขก่านาดิมันมันมันเป็นสุขถอยหลังเลยอเนี่ยสุขถอยหลังอ่ะสุขนั้ได้กินหลายขี่กวางไง่นาะนับหลาย ฟันร้ายสุกนาอมิดพภายนอกอันนี้อันนี้แพรเมตตาในโลกกีนแพรเมตตาในโลกกุศลนี่อันนี้สงหลายทุกสิ่งทุกอย่างพี่เจ้าน้ลงถึงอนาตารรัตตาท่ามัดไม่ได้คัดก่อเมตตาเป็นอนัตตาที่โบมีเว้นเป็นจิต เป็นอนัตตาคิตที่มัมีเวน้นเป็นอนัตตาคิตที่มัมีมีไพ่เป็นอนัตตาทรมที่มัมีเวน้นเป็นอนัตตาทรมที่มัมีไพ่น่ะลงได้คือการอสุภกความหานก็ลงถึงอนุตตาได้เหมือนกันอือนัตตาเพื่อยอนัตตาเนาอาุภพอาถรพนะสัสะตโตนะชีโวะสุญโยสะโพบานายังอื ปินทะปาโตอายพิคุตเทนิโยอีเนยีงนยงอีมอั่งผู้ตีก่ย่างปัตตะวานเนี่ยนันเป็นของบูดของเนาของบตรของเนากะแพร่ลงถึงอนัตตาได้คือกันละอนัตตาบูดอนั ต, ตาเนาบ อ, องชพุทธคุณภาว น, นาลงถึงอนัตตาเดยวถามาคุณช่งอคุณอนัตตาคุณอันที่ว่เกิดว่าดับอนัตตาคุณอันเนือโลกทั้งหลาย ด้วมแม่นน้ำมะคุณคุณน่านน้ำกัมเรนหรือน้ำมะคุณก็เรียกแต่สีว่ามันเป็นของมรเกิดมรดับคุณพระพุทธเจ้ามรเกิดมรดับมันเกิดมรดับแต่ผู้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละมันเป็นเจีตสีคุณของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันเกิดมรดับไปใสเป็นโลกคุณตะลุ่คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มุนคุณพ่อคุณแม่โอนคุณคุณใช่กันแล้วคุณท่านผู้มีคุณโอนคุณไปคุณแล้วหมดแล้ว พุ่นคู่กว่าอาจารคุณนสันพระุณทั้งฝวงในโลกกี่เป็นเมื่อขึ้นของพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหมดอพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเป็นเมื่อขื่นของพระนิพพานหมดยอดพระคุณไปร่วมกันเถิดพุ่นรวมคิ้วพุ่นพุณนอันบกเกิดบดับผลนำพิจนาจนถึงโลกพุตธละพุณ กายที่จะน่าลงถึงองนัตตาได้บ่กายเป็นได้สักกายไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสนาเวทนาคือสุขทุกข์แลมาสุขเมื่อทุกข์ทุกอารมว่าเวทนาก็สักกเวทนาไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสนาใจที่สมองหรือผ่องแผลเป็นอารมณ์ว่าใจก็จะเป็นสักว่าใจไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสนา ธรรม ท, ท่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมก็สักธรรมไม่ใช่สากบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัชนาอันนี้ก็เรียกว่าพิจารณากายเวทนาจิตท่ำลงถึงอนัตตาเหมือนกันถือ ว, ว่ายัางไงซะในพระพุทธศาส น, นาอนัตตานั่นแหะเป็นท่ำอึกหล่อมขโมยที่มาถอนอุปทานใน บางคนยืนยันว่าหนมีบรรยูไปอยู่บัจิตเด่นดวงหันหนูมีบยูไปอยู่อุเบกขาหันหนูยุ่มีบรรยูไปอยูออาาอนยย่น้ำพุรูหันมิตรพุรูอุตน ด, ด, ด้วยสันนว่าน่ะอุเบกขาก็เป็นอุบเบกขวงขึง้กันให้แล้วรับไปไมิผู้ไปยึดมันถือมันเอาเป็นทรัพย์ถึงบุคคลเป็นเล่าเป็นข้อ ผู Workers, ้ลู่มันก็ไมีผู้ประคันไม่ผู้ไปยึดมันถือเอาเป็นเล่าเป็นเขาเป็นช้างเป็นบุกข้มันก็เป็นภพเป็นชาตินั้นอยดคือการแห่อุเบกขาซุกทุกข์ก็ได้ซุกทุกโศมาละโทษมาะอุเบกขาเนี่มันไม่ผู้ประยึ์ถือเอาเป็นเจ้าของมันก็เป็นภพเป็นชาตินั้นละเอียดมดนั่นแ่ะให้บอกสัตว์อรรถเป็นวิญญาณปฏิสนธิหมดน่ะเป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากมดนั่นแหะ เหตกับผลของเหตุเนี่ยกรรมกับผลของกรรมเนี่ยวิบากเนี่ยเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมมันก็สัมพอะกันเขพอได้ส่วนไปทั้งพิดทั้งถือมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกต้องหาพระอรันต์โยฝากพิดฝากถือพุ่นฝากได้ฝากเสียพุ่น พอโบ่สำคัญว่าได้ยังกสิสำคัญว่าเสียยังสั่งพอบ่สำคัญว่าศูนย์หรือบศูนย์นะสั่งกติจัดว่าพระหลังหันศูนย์หรือโบศูนย์ยังไหนสั่งอดีตกระซงขึ้นให้อดีตอนาคตกระทงขึ้นให้อนาคปัจจุบันกระซงขึ้นให้ปัจจุบัน่รล่ โม่ไปสอนแทกถือเอาไปจะคล้องเลยชือว่าวิญญาณปฏิสัมพันธ์ผลิตัณฑ์หรือบันไดสันชืว่าพบอยู่ใส่ชว่าสะอาดที่ใสพโว่าเพราะว่าปัจจัยเยอะนั่นจิ๊เขาพะวังจิ๊เขาพะวังนะจิ๊เขาไปหาพบนี่แหะพรว่าเพราะวามันเป็นปัจจัยเยอะน่ะฏิัพันธ์เยอะในพะวังเป็นพบเพือกัรอะ่รเราเราของชันว่าของมันบมมันสมาธิหัวโตพ่าหน้าสิบปีเจ้าปีกสิบ แม่ว่าเตะสมาที่หัวต่อนี่มิดเที่ยวดเทวดาพระอินพระพุมเลื่มย่ำย่ำเงียเบย่างนั่นย่างนี้แต่เว้นมันเลื่มเยอะขึ้นยังนี่บกพัดองบงยันมันก็เหลื่มเยบเห็นมันมาละเคลียร์ได้ดาวมานเลื่มแพร่แพร่แพร่แพ่เยอือกแก้วแวนแสนสักหนึ่งมันแหงเลื่มตัวหันโบเห็นมันละเลียร์แน่แจ้งชว่านชาวพุุก่าแก้งไปผู้ผาว่าหน้าแก้งชาวบ้่าพุทธบอกว่าเอามาอวด พรอาทิตมันแก่งหอดใสุ่่นผูเห็นมันร่ากิเลนแล้วงงชาแนลดว่ารอให้มีอพินะยหามได้แหมเพราะว่าดําดินบินบนบ่ได้แก้สม่าว่าเมะขาดเสือ้ออะรเพราะว่ากางเกเสื้อกัปะลารถสระนั่งกับสามีส้สพย์มันแทงดําดินเกงตัวเอียนสระนั่งกับสามีมื้นน์นกสระนังกับสามีมื้นนมันบินเ ก, งก่งเพียงน่ แม่งยังเนี่ยมันต่น้าไมไหนแม่งอี่ทู่บอกเขาเอินไต่กงจังจา์แบรนไปไแม่งอีทู่แสดร น, นักจ า, า, ามิเป็นยังบวาชนเท่า ว, วุฒิเทวาดานอินพุ่มพยมพการเยศตโลกกบาลแท้สีมันมุ่จะไต่อำนาจอันนี้จักบ อ, ก, อกขึ้นเบิ้งนั้นไปนังอานาดาวดอุตส่า์ดาวดหนึ่งตายค่า เ ป, ate, เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ <ด S 3> <ๆ S 1> เป็นผู้ ไ, <ด>ผไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ออืตายค่าบริกรรมข้าพระข้าอ น, นันตไปเกิดในอารมณพระพุทธผแปดมื่นที่พันครับออื ถึงบานนั้นยังเยอะแต่อํานาจอันนี้ยังเลยมาเกิดเป็นผีเป็นเพศเป็นผีเป็นหมูเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นคนหูหนวกตาบอดอยู่ในนี้นั่งวัวฉันเอาหลดว่าเทวบุตรองค์นึงไปยืมเขาเขาบอกอันพระพร พระ อ, อินผูน้นึงไปยืมเขาเขาพระพันในมา ใ, เาเาาใ่เขาอพระพันในใสเขายมเข่ามือนหนึ่งโยมเข่าที่สองกิโลเร่เร่ผ้ามูเห็ดหอนถอกหอนทางเป็นหัวหนา้าหัวตาเห็ดซอสลาลงสาลาเขาถึงเวลาตายมากกรละลึกถึงอ น, นั่นเหลือเวลานั่นพระ อ, อินก็นเลยประวางอยู่ก็เลยได้ไปเป็นพระ อ, อิน เมื่ออันนี้สองพระ อ, อินเรียรอะไรหลวงมาเป็นคว้วยใช้หน้าให้เขาอยู่เพราะว่าได้ใส่ใเขาเขานั่งพวกโลกขีะได้เนี่ยมันบ่นคือพระโสดาบันเด้โสดาบันจะเป็นโล ก, กุตตะละอันนี้มีปัญหาสอดเข้ามาวาสันดาวดึงนี่เป็นสั้นโลกกีโรโล ก, กุตตะละ มันกระโกันนี้ทั้งโลกกี่กับโลกกุศละคือกันแะคือมนุษย์เท่านี่แ่ะกโอยู่ทั้งคนขี่หัสามารถกระทั้งพระสวสดบันก็ะโผลทั้งพระตกรทาขามีหนาามีอรหันยูสิละจะ่อเขาสั้นว่ามันก็ปนลกันอยู่นั่นะโลกอันนี้มีเนี่ยพูดได้แต่ผลสั้งอวิหาอัตปาสุตตาสุตตอติกาไม่ะอานาามีพวกเดียวเน้วน่ะมันปนกันอยู่ ก็มนุษย์โลกเขานี่หละพูกเขาตะล่ากัเขายึดเต็มพูมเหมือนี่เนี่ยผู้พ่อน้ากัพ่อน้าอเต็มพู่มเมือนี่สั่งผู้ั้งสดาบานกับโซดาวบานยึดเต็มพู่มเนี่ยั่ผู้กินเรากินเรายึดเต็มพู่มเนี่ยสั่ผู้เรียนเลขกัเลยนเลยึดเต็มพู่มเมือนีสั่ผู้เขาเว้นเขาเว้นยึดเต็มพุ่มในโลกเมืเดียวกันช่วะยังไงสั่ผู้พนพ่นเพราเราเยพ่นยึดเต็มพู่มเมือนีั่งจงล้งผู่มันล้งผู้ขาวเมื่อไงอืมหัวของฉัน จแจ็คสบอกยังได้ไปอีกเลยเว้ยบอกกันควบของสของมุของเพื่อนนี่ล่ะคะรัวบอกเราหมกผลใ่านตัวมี่แจอบแต่สอเสียค่อยออดมาเรี่ยวเสียมือขันนะหูจ้บอกมักผลในผ่านหมดแล้วเพระว่าก็ะมดนเน้ตูคนัาบุ๋มมัดดอวมักผลน่านหมดแล้ววิผายได้รักเพราะพะว่าอือ ว่เห็นอาจารย์ทิ้ง <reading> ท้องว่ะพนขี้ดื้ออาจารย์องค์นึงผ่นว่าเฮ้ปฏิบัติก็วัดไปธรรมพจนี่พลาหนบ่มีน้องัดแล้วอาจารย์โตนั่งพ่นนั่งแต่พนข้าหักเนี่ยโตข้าหักผ่นว่าพ่นขี้ข้าหักน้ำโตหัวชนก็ออกยิ้แต่ละหันเพาอะไรมอมเขาพ่นขีลื้ออาจารย์ทิงท้องมอมเขาบวชพุน ตัวตาบ <Smooth> าอดผนว่าพนิตาบอดน้าโตตัวโง่ผนว่าพันิโง่น้โตตข้าฮักว่าพันธิตข้าหักน้าโตส่ออในโลงนี่ก็ไม่เสด็ีทั้งวัยเจ็ดแปดกนผลตวหากินเพราพ่อปากทากบ้าไหม่บวท่องเนื่องกาะว่าพันธิน้าโต่พวกขมี่เขาก็ม <Forget S 2> ีว <communion> ันบอกผมียางย่างนี่พ่อคู่ว่าอาจารย์ไงสั่นนี่แดีว่าสั่นจมมไปผลนคนชีรื่เนอาจารย์ท้อง คม <g ül> คนพอปดะไไปดูดคนขีดื้อเด้เ <g ül> มำงคาปมำขคานี่บทดผลพน้กานงานงแก้วคนเราชาฟังโอ้ยเฮารถตกไก่อยู่ข้างในยิ่งทำนี่ข้าวหมอกนั่ยเวลาพนิชานงเก้ีวกล่าวว่าประดานี้อาจารย์ทึ้ ง, ง, องจองของเงไยเลยคนมาเกิดในโลกเนี่ยผู้เขาสร้างบารมีเตยมตื่นมาแล้วกับ ก็มีอยู่ผู้หัวงข้อสีมาทางกขามีอยู่คนมาเกิดในศาสนาแต่ละแต่ละยุคระยุคนี้คนมาบ้นเดียวกันเมื่อตบอกสามบาลมีมาสเสมอกันเมือตบอกผู้เขาบากแล้วก็ ม, มีบอกสั่งผู้เขาสิพ้นไปแล้วก็มีที่ว่าอย่างไรสั่งท่าคําสอนของพุทธเจ้าบาดค่าท้าเดียวน่ะผู้ละคนล่องมอหลอกคนผู้ละคนเป็นพระสวัสดิวัน ผู้ลงคนสักขาข้ามี่ผู้ลงคนพระอานาข้ามี่ผู้ลงคนพระหังหันมันเป็นยังมาเป็นไรสัสันก็พพุมสมบัติของข้าเจ้าสามารถต่างหันที่อิวาอย่างไรสันผูกขัดว่าแต่ศาสนาพระโคดมนี่สิหัวก็เดี๋วมาเป็นมนุษย์น้ากังบบอกพวกเขาเป็นมาหลายชาตหลายภพเราก็มีอิวาอย่างไรสันผูออ้หัวก็มาก็มีอิวาอยงไรสันศาสนาอลไก็คือการดอกบัวชีเล่าเน่ยมีแต่นในทางพุทธกาลบอก ข้างนี้ก็มหี้ดอกบานกัะ บ, บานเต็มพุม่มดอกตูมกระตูมเต็มพูม่มดอกยูดตน้ากัน้ามเตมพุ่มดอกเสมอน้ากัเสมอน้าเต็มพุมมมมมมม่ ม, มอดอกบัวแต่ละกอเลยไม้ข้อม่าคนอยู่ในโลกกอนหนึ่งแต่ะดอกไม้ไม้ลวไม้ข้มานแต่ละล่ามของ บ, บนุนค้นแน่เท่าที่เป็นกระต่ายขาเดียวยืนว่าบมีพระหรหันสนบอกว่าบมีพระเสดาจันโบมี่พระสกุลข้ามีฉันบอ เพราะคุ่เจ้าล่วมไปแล้วเท่านั้นเกลือว่าเข้มดอกไปกิฟ ป, ป้องรูปผู้ไหนเขาถื ว, ว่าเราสั่นอืาเขามาถามห้องขึ้นกันท่านแล้ อ, อนา่งค่อยคิดใครเป็นพระเสดาบันใครเป็นพระสกทาคาบีใครเป็นพร ะ, าารรนพะอนาคามีหลวงปู่ใครเป็นพระทหารก็ใครกริบเกลือก็ผู้นั้นจะรู้จับเข็มลูกๆมาต้องมาถามดอกออหลวงปู่เขตมแล้วสั่นไปว่า ล็อบูเค็แล้วล็อบบูเคตแล้วใสใครจิบเกลือใครก็จะรู้จักกวาคือเค็มนะน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับการจิ้บนะเผ็ดเค็มหวานจัดก็เหมือนกั น, น อ, อันเดียวกันถ้าทำมาด้นลำเอียงเขาก็ไผเด้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโลกทิพย์เบิ์ดเนยมืนตาเขา มันก็เป็นโรคทิพทั้งเห็นหุงลับตาเขาเมื่อก็เป็นโรคทิพทั้งมืดเหตุก็พ้นอยู่ห่างกันเพราะก้าวเหตุจับผลกัจับเหตุว่างผลกับว่างเหตุกรรมพ้กับกรรมเหตุว่างผลกับว่างเหตุว่า้ลกับว่เหตุสงสัยผลกับสงสัยที่ว่าอะไรสั่งเหตุก็พ้นอยู่ห่างกันเพราะก้าวเหตุดังฉันพราะเปบิโท호 ถ้าว่ารัชชะผลจะมาไผสงสัยเหตุผลมาผลนี่พ่านไปจงถามเราเถิดสัวเพิ่ก็ห้องไปทั่ววัดทั่วว่าเลนะผลนิสัยผลไปได้ันหรืว่าขอสัอว่าเหตุกับผลมันบ่มีนัผลกับน่พ่านกับบ่มีแล้วเหตุกับแปรวากิริยาที่ล่องทำผลกับแปลวากิริยาที่ผลทำเมื่อเหตุกับผลมันมีทุก ขณะจิตเลยมักผลที่พลานก็มีทุกขณะคิดตัวมักก็แปลว่าขอปฏิบัติได้ผลก็แปลว่าผลปฏิบัติได้เหตุก็แปลว่าตัวเหตุตามเดิมผลก็แปลว่าผลของเหตุพืชก็พืชก็ดีเหตุก็ดีมักก็ดีอืกิริยาก็ดีกรรมก็ดีสั่งข้อกันเขาได้ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมผลของกิริยาเขาสั่งข้อกันเขาได้ส่วนที่ไปทั้งผิดทั้งถือมันแล้วแต่เหตุแต่กรรม เป็นประมาณผลประทองผสมกันได้รับเขารับตาของสิบว่อยากไปมืนมันยังมืดนี่ถ้ามืนตายสิเข้ามาจากไหว่าอยากย่าเเห็นหงเอกาสิมืนตาสนเาทาี่่อยที่แงไม่ได้บอน่บ อ, องสันอรรถว่าผู้นี่ไ่สงสัยไปใสผู้นี่มจิสงสัยกัหาไปพระ น, นิพพานนำชา้เาเขาประสงสัยผู้นี่วัตถิเหุแมันพ่อท่นน่ะ บวชเขามาบว่วงพลุกทุกแม่วาจาท่องสารนี่บวชไม่กินที่แตก่ที่างม อ, งอ่ อ, อบวชมอ่อล่วงโลกแล้วมันสิล่ลกมอ่อลกพุ่นตายก็ตายข้าพเจ้าหน้าหันง่อแมลตายแต่ห้างกระดูกนี่ ยิ้ดใจบืยอมเห็มัดตายถรามั่เบื้อย่อมเห็มัดสายเบื้องสั่นนึงเบื้องใดสั่นนึ่งเบื้องสั่นโลกกุศลละค่ะเบื้ใสั่นโลกขีดเดียวจะเกิดนมนุษย์เป็นนมุดมนุษย์น้ำเพลินเฉยบดีกลัวบอ่อเดียไปถวัลเป็นบางข้างบางข้าวเียบดีก็เป็ลูกทวนมวล โ, โลกหลดนบ่บนนบบนบบสั่นอรดว่าบวชเขามาหรวคะควกซุปบเห็น ออกไปหาความสุขเลยลูกเมื่อสิเห็นนี่แล้วเจ้าอีานน่ะเขาปล่อยให้บวชเขามารังหาความสุขบเห็นยังบเห็นธรรม่ออกไปทา้งโลกเท่นังไงสิเห็นเห็นแต่งามขาเขาหนะนี่ยเออีถึงเต็มแมงว่านเขียวตัวห้านี่ตัวแมงว่านเขียวหัวดา ยิออกไปกับป้าแคบฟังเสียงแคบเพิ่นลุ่มทุยลุมทุยลุมทุยเพิ่นไปไปต่อมของเน่วของเหม็นเข้ามานี่ือฝืนยิ่งขึ้นตุกจริงๆทุกจริงๆเธอเสียงป่อเพิ่นขวัญคือหย็ดคือยัดคือหยัดเตะตัวต่เคยขวดญให้เกียรตกหอขวนุ่เป็นหั เรียกเตยเียกทุกยศบูชาพระคุณพระธรรมพระสงฆ์หมดระลึกได้ได้ก็ดีพรเป็นคาเป็นธาตุพระคุณพระธรรมพระสงฆ์ในตเมอเพราะขี่รถเงี่ยวรถเยียบย่อมทนไร้ข้าในหมกใสในสะกดละกายวหวกายใจทุกคนทุกแห่งทุกวิถีทางมนี้มาเพื่อฝนถูกแม่วาตาสงสารโดยรัวในปัจจุบันนิสตว์ปัจจุบันนิสสตว์หมายออกไกลไปไหปัจจุบันนิจปัจจุบันนิธรเรียกว่าปัจจุบันนิสสต ขันรุษพุ่นเป็นพระสวสดาวันสกท่าาไม่อนาาไม่อรหันกับปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนั่นะว่ามัจิตอดีตว่ามันจิตอานาคตสิ่งวมสงสัยตอนใดๆก็คิดปัจจุบันธรมปัจจุบันว่ามันจิตอดีตว่าม่นจิตอนาคตเห็นไดท่าพระพุทธเจ้าจว่าปัจจุบันนันจโยธมังผู้ใดเห็นทรมในปัจจุบันพูนั้นหม่งองแง่คอนทในพระพุทธศาสนาปดมืที่พระธรรมขันยนลงมาปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรม ร่มหายใจเขาออกขณะหนึ่งควบแปด0มื่นที่พรคัมภีรมาันมดมีทั้งควมเกิดขึ้นมีทั้งควมแปลพวนมีทั้งควมแตกกระจายมีทั้งคุณพระพุทธมีทั้งคุณพระธรรมมีทั้งคุณพระสงฆ์มีทั้งควบป่วยควบนอนมีทั้งดินน้ำฟอ่มมีครอบบดเริ่มหายใจออกครั้งนึงก็คือกานขณะคิดที่นึกคืนขณะคิดนึงก็คือกัรมีควบแปดหมื่นที่พระคัมรมาขันมดเงื่โมนีโมเอ่นจังี่นี่ เข้านับดินหนึ่งดินไรสันดินจังมี่วบ้านนมี่ยังกอนับล้วบอกไฟไรสันบ้มนไฟไม่กอนับล้วบอกลมบ้านลมมีกอนับล้วบอกสน้าบ้านหน้ามีมี่กอนับเรากคือเราปนังแ้นิงทั่วมันก็มีอยู่ในปัจจุบันบมดเลยเราออกสัเจ็ดหาแบบคำพี่นั่นคพี่นี่อยู่คพี่ปัจจุบันเน่มโนฟุกฟังหามาธรรมมโนเศรษฐามโนมายา ทำทัา้งหลายมีใจเป็นไงก็มีธรรมเป็นไงก็คือกัน น, นี่เ ป, ปัญญาเป็นไงคือกันที่ไม่ได้ยินสถียสมาร์ทที่เป็นยินญญาเป็นไงในธรรมทั้งหลายมดฟัองออกไห้อาจารคุณมหาไม่ได้พูดฟัอ ง, ออองออกนะเออต้องหัดพูดภาษ า, ษาภาษาอีสานบ้างถ้าจะพูดแต่ภาษากรุงเทพก็ ต่นีภาษาเนี่ยต้องพูดภาษาภาคอีสารให้คุณฟังด้วยนี่อยู่นานแล้วนี่ฟังออกแล้วนี่อยู่นานแล้วหลายภนษาแล้วฟังออกแล้วพรหัวเจ้านะหยดลงั้งเอกกาวเจ้านะ สันามยนนล้มเอกรนั่ยจิตสีบีตัางล้านดวงก็ะตามยนรุ่นเอกระจิตเอกระถในปัจจุบันแต่ทีเกิดวงาสร้างลอยยี่สิบดวงก็สร้างลอยี่เดวงก็ะตามยนรุ่นเอกจิตเอกระถ้ำถ้ำสมีหน้าหน้าถ้มกระตามสัพสัพพะถ้ำกระตามทั้งฟ้าโลกที่ได้ลอยโกกุตตะลกระตามยนรล่นเอก็จิตเอกระถ้ำเบิด ขันบอจังสั้นกระเสีมาทองพระไตรปิฎกโยไพสี่ใดมากผลในภาสยับเชื้อพระไตรปิกมันไม่หลายเพื่อทตายนี่ตายแปลว่าสามปิฎกแปลว่าที่หลบร่วมหลบร่วมกายหลบร่วมว่าจ้าคำว่าเป็นกิกะก็ะกายว่าจ้าใจคำว่าเป็นทเวีคำว่าเป็นทุกกานิบาตคำว่ากายกับใจคำว่าทุกขานิบาต การลใจใจสามารถแกทุกการนิบัติการยั่งัติหรือถัดีเป็นต้นเราว่าปฏิกันนิบักัลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพาว่าเป็นชักการนิบัติกับตาหูจมูกเลียนกายใจเาว่าเป็นสักการนิบตัต แตทวิธาธาตุดินโปธาคืธาตุน้ำเจโจอธาคืธาตุใจวายโยธาคืธาตุลมอากาศธาคือช่องว่างในกายวิญญาณธาคือความรู้อะไรได้หรือสัจวตรมจิตเป็นทิ่เครื่องเกิดเครื่องอยู่ของสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเป็นสัตรการนิบาตอาปานิทยาธรรมมีเ็อย่าง ทำให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพราะความเจริญฝ่ายเดียวเที่เอาไปหานจะทมีเพลิดอย่างหนึ่งมันไปชุมกันนิดนึงสองวันประชุมความเพียงกันประชุมและความเพียงเยงชื่อธรรมทาจิตที่สงจะต้องทําไม่มันอยากทิ้งที่พระพุทธเจา้ามันมันอยากขึ้นใน่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญอยากไปแล้วสมาตามศึกษาอยู่ในสึกธาบทตามที่พระองค์ทรงมัญหยัิไว้ผู้ซือเหล่าใดาเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสมมงเขาลบนับคิดนับถือที่สูงนั้นเชื่อความใจธรรมของท่านไม่รู้อํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเจงานสนับฝา ตัง้งใจ ย, ยว่าเพื่อนพิสูจน์สามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสุดว่าขอให้มาที่มาแล้วคว อ, อยู่เป็นสุกขทําเราเจ็ดอย่างเหล่านี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั่นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวขว่าเป็นเจ็ดขานาเป็นแปดรัชกาคือมรรคแปดโลกธรรมแปดทำ ท, ที่ข้ององามจว์โลกอยู่แล้วสารโลกย่อมเป็นไปตามทํามนั้นเรียกว่าโลกธรรม โลกธรรมนั่นแปดอย่างซึ่งมีลาบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งมีทานหนึ่งเสนเสนหนึ่งทุกหนึทุกหนึในเวลาโลกธรําแปลประกาศไม่เกิดขึ้นควรที่จะน่าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแน้วแต่เราก็แต่เรามันไม่เพียงเป็นทุกข์ในความเป็นควรเป็นธรรมดาคนรู้ตามที่เป็นจริงอย่าให้มันข้องความผิดได้ยายินดีในส่วนที่ปาถนาอย่ายินร่าในส่วนที่ไม่ปาถนาถึงลาบแปลกๆลานแปลกๆคุณยังว่าได้อีกไรเนี่ยอยู่สมาธิ สมาสังกปรวาจากรรมันโตอาชิววายโมสติสมาธิเนี่ยขันว่าเป็นสามก็ว่าได้นเนี่ยยศินสมาธิปัญญาเนี่ยนี่เนี่ยขันว่าเป็นเก้าเนี่เนะมละคือมรรทินเก้าอย่างลบหลู่บุญคุณท่านหนึ่งลิย า, ยายยนเตหนึ่งมา ย, ยาหนึ่งเก้าเลนี่เจ้าเล่น่ก็ อ, อวดหนึ่งสัมภะหัวฤกษหนึงน่งถ้ลําักแงดีมณะซื้อตัวอธิมณะดงมินดานมัทสัมมัวเตามัวมอปมัทเัมฤกษเอันนั้นว่าเป็นชีกนะ วาเป็นเก้าโลกุตละก็ทำเก้ามักสี่้นสี่นิพพานหนึ่งน่ตัวควบเก้าหแล้ววาเป็น1ิบนีไม่ยั้งอันนี้แล้วก็อกุศลกมวัดสิบวาเป็นทิเอกาทัะวาเป็น1ิเบตนาเป็นทิสองทัวทัะกะ ตาของจงก็เรื่องกลยใจลูกเสียงจิตรถสัพพธรรมอารมณ์รวมกันเข้าไปสิบสองสิ่งพวนี้เนี่ยมันอยอสแยะเลยจะอยู่แต่อำนาจอันนี้จงทุกครั้งอนัตตาทัานพี่จะน้าอันนี้จำแนกอะเรกว่าพี่จะหน้ากรรมฐานทุกๆกรรมฐานในพระพุทธศาสนาสิว่าจงไหมท่านมารวมในสถานีง่ายมหาปัญญาเลวหันท่านเห็นอันนี้จงชัดเห็นทุกคร้งชัดเน่ย อวิชชาความงูตันหาความทะยอทะยานในวาระสงสารมันิมาจาพักตูได้สั่นมันก็ะสีวดับไปห่ดสั่นเออไอมันเห็นชัดใช่ไหมเห็นทุกอันเดียวทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันกระดับไปทุกสันอวิชชาตันหาอุปทานกับพศสตร์สมระลกปเทศขจุกโตะรูอป่าอยากก็ทั้งได้ไปหลายดอกได้แต่ลายไหนจมตไหมันแหงจมเงียบสองเท่ามันแหงสองเงี คือนักธรรมอตะกีอ่ะสังพันที่ร้อย 6, แปดพันหกกแปดพันแปดไนักามกับ น, นักเลียงผู้ภาวนาพุโทโธพุโทโธจะเป็นสมถะหรือปัจฉนาถ้าตอบให้ถือแม่สนามรองต้องมาเป็นสมถะเพราะเป็นเมล็ดรมภาวนาภาวนาในบริกรรม กาเหาตอบยังเธอไม่เห็นเขาตอบเลยตอบไม่ได้ผู้ภาวานาพุทโธพุทโธนั้นจะว่าเป็นสมถมะก็ไม่ถูกจะว่าเป็นวิพัฒนาก็ไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับยานสมยุทธ์ของผู้ภาวานาอุทา h o m a เช่นเขาภาวานาพุทโธพุทโธจะแต่สลายในเวลาเขาบริกรรมอยู่นั้นจะเขาจะว่าเขาว่าจะบัญญัติเขาว่าเป็นสมะถมะมันก็ไม่ถูกมันก็ต้องวิปเป็นวิพัฒนาเพราะเขามียานสมยุทธ์ในขณะที่เขาบริกรรม พ่อตอบต้งสีด้วยของพ่อเราพ่วงนักเรียนวัตถุภาวนาะเออต่อตอบน้ำปริญญาจะซื้อบุยอมเป็นไงเหรอโยกธ า, าหอนไปอีกถ้าอย่างนั้นผู้รูปไปรูปมาและโชว์และนางและช้ำนนทักติมันก็น่าจะเป็นวัตถกรรมาภาวนาทำไมถึงถึงแตกฉานเฏิธรทำเาสีเล่าก็ถือว่าไปนี่อย่างนี้ไปใช่เออชอบมากฮ นั่นพีกันบอกฮะนี่ยก็พวกภาวะนาะพิดหรือพวกพดแล้วโชว์แล้วนางแล้วช่างพันธติแล้วโชวแล้วนางแล้วชัางพันธติก็น่าจะเป็นสมรมะเนี่ยเพราะบริกรรมทำไมถึงแตกปฏิสัมพิทาที่ก็เพราะยานสมัยยุคของเขาต่างกันวาเสียเลยไอ้กูมาชดช่วยบอกไปล่ัวไล่่ยเปิดจัว่วตัวกะยัเทียวกว่าตัวพีดพีอยู่เป็นบ้าบอ ธรรมะปฏิสัมภิทาขันให้แตกฉ้านให้ทำนะโมพระโสดาบันเป็นนะโมที่เห็นหงุหนท่าไม่สงสัยนะโมพระนะโมพระสสดาบันบ่ผูกเวนก้นเขาอื่นะโมแปลว่านอบนอนี่นะโมพระสกทาข้านี่ละเอียดไปเขาพระสสดาบัน แยกค่ายก็การเพราะมีญาาสมัยุทธ์ต่างกันณโมพระอานาฆามี่่ามันณโมอันนั้นลบน้อมจนพ้นจากกรามมามเนี่โทษสะลมโบมอ่ณโมพระรหันเลี้ยนณโมโจบหรือว่าจางไหนา่านถ้าหมดเดียวกันต่างกันเนี่ ย, ย, น, น, ย, ยน้อมน้อมจนโบมีกิเลัเลี้นงณโมจบตัวสั่นนะพุทธ่นานนะนั่งคดชามีเหมือนกันแต่ชนาคม ข่มเจนบ่หลงบ่ควบ่หลงเอาสืไว้ยังไรเนี่ยนโมข้นสมือนนี่นโมเด็กนโมผาเออซะด้วยนโมตาบอดมันมันมโมตาดีนโมตาดีนับแต่พรตัวดาบันไปเห็นหงมคนท่าขามพระนิพพานเด้เห็นฟังพรนิพพานเด้นโมไฮเดรนี้ผู้หูไฮได้สู่ผู้ดีไฮเดรลำล่ำลวดลุยคล้ายข้อมากมากนโมโลกที่ยะ นโมโลกุตระนโมพรโสดาวันทิวาอ ย, ย่งไรสิถ้าบอกเขึ้นนาวนกขึ้นโดดด้วย <laughs> มันมันคักกันสี่เว้ยสิวา ย, ยังไหมส <laughs> ทถ้าหมดเดียวกันพุทธังทางนางค้าชา้าไหมพุทธังของพระพุทธ ของพระลรหันหังเลยนจบเลยได้หรอเล่นจบยังไงจะว่าเล่นจบอ่ะสา ว, าสจวกจำพุทธสีจำพวกนี่จำมาจำพุทธคือพุทธิเจ้าพ่อกระเจ้กับ พ, พุทธคือพ่อกระกเจกสาวกโพุทธแปลว่าพระละหันผู้ชายเป็นสาวกสาวิกาพุทธแปลว่าพระละหันผู้หญิงเดียวกับพุทธะสีจำพวก นี่นก็เฮียนพุทโธ่เต็มเลยสุดท้วา ง, งั้พอเถิงพุพอเถงพุทโธ่ในใ น, า น, านาสาวกเลยเนี่ยเป็นสาวกกางพุทโธ่ลยเนยโค พ, พาาระรหัสน่ะ ว, วยังไงส่งตัวะต็แตวตมเห็นไหมโอม้ <c oughs> อต่ควม่งอันเนี่ยวาันเี่ย เทาหน้าเขาเห็นมันแตกฉานคันบอสแตกฉานมันกับวัชพินควบสงสัยเจ้าของได้พี่น้องเอ้มันผูกปัญหาเจ้าของได้อืนี่มันผูกปัญหาเจ้าของได้มันผูกปัญหาเจ้าของประเทศไทยเจ้าจของสอ ง, งสัยสงสัยแทงที่กับทีทมชาพิภาคภาน้ำแทนกับไปเข่าหน้าขาเขาแหละกับไปนั่งกับไปเฝ้าหมอปลาหมอปราเขานขเนาะเฝ้าผู้หญิงเอาเขา ฟองห้องเยี怕怕่ยวเขาแต่ตัวขีดพาพานั้นปลา้ำแทงเราต่อไปฝ้าห้องเยี่ยวเขาแล้ว